วิธีทางเงินดาบใดของทัญญบุรีวิทยุราชมงคลทัญญบุรี FM 80.5 MHz เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต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 หรือ w w w f i s f วเบ็ต a ไ t เอสเ n ฟ p อทอาร์เอ็มยูทีทดอ n g อซีดอททีเอชป่างดีไซจุเสน สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุพัณฑ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีขอชวนน้องนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวชเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายกราฟิกบนถุงผ้าลดโลกร้อนชิงเงินรางวัลรวม 15,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตรกดกาง่าย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 ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขอาสาดำเนินรายการโดยนัธพลดีอุดควบคุมรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์กุลกนิตทองเงาสร้างสารและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี ให้ถึงฟังแสีงเทวันนาที่แห่งนั้นที่มีพวกเราสดใสดอกไม้ ชีวิตถึงฟ้าลิกิจให้เราเป็นไปจะฝืนลมต้านพายุร้ายตราบชีพไหวก็ยังมั่นคงอรณงของคนแบกเป้ สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขอาสานะครับ ออกอากาศทุกวันสุกแบบนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีนะครับ FM 8 9 5สิเก้าจุด้มิเกร์นะครับอยู่กับผมนัทพลดีอุดนะครับมาพร้อมกับเรื่องราวข่าวส า, สารสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับงานอาสาคนอาสารวมถึงมวลชนจิตอาสาต่างๆที่ร่วมกันทํางานนะฮะจิตอาสาต่างๆภ า, ารกิจจิตอาสาต่างๆที่เราจะนํามาพูดคุยนะฮะนำมาบอกกล่าวนํามาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในรายการสุกอาสาแห่งนี้นะครับคุณผู้ฟัง วันนี้เริ่มต้นกันในช่วงแรกกับคิดอาสานะครับที่ผมนําเรื่องราวของมวลชนจิตอาสาที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ไปไกลนิดหนึ่งนะครับที่จังหวัดเชียงรายมีการร่วมปลูกหญ้าแฝกนะครับอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับโดยพลังมวลชนจิตอาสาอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับร่วมกันปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำมวลชนจิตอาสาอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับโดยเมื่อวันที่27มิถุนายน2562นะครับนายสมศักดิ์หอมม่วงอธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นปน ทานเปิดกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตรณหอประชุมบ้านแม่แก้วใต้หมู่ที่3ตําบลอ้ออําเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินบริเวณตลิ่งแม่น้ำข่านะครับโดยมีนางพระธาวดีปัญจบุญนายอําเภอพานพร้อมด้วยนายสมคิดศรีมูลนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่อ้อผู้บริการสํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงรายนะครับเกษตร อำเภอ ผู้นำชุมชนและประธานจิตอาสาและรวมถึงจิตอาสาในพื้นที่ด้วยนะครับให้การต้อนรับอย่างดีนะครับโดยนายสมศักดิ์ผมม่วงอธิบดีกรมเจ้าท่ากล่าวนะครับว่าปัญหาการชะล้างพังทลายของดินและการทับถมของดินตะกอนในแม่น้ําลําคลองมีสาเหตุเกิดจากการพังทลายของดินและการสูญเสียหน้าดินที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับเช่นการชะล้างการกัดเซาะของน้ําและลมนะครับและอีกสาเหตุหนึ่งที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์โดยตรงนั่นก็คือการเผาป่าทําลายหน้าดินนะครับอย่างเช่นการเผา าการเพาะปลูก ผ, ผิดวิธีการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชนะครับ ล้วนทำให้หน้าดินถูกทําลายและถูกชะล้างกลายเป็นดินตะกอนไหลทับถมตามแม่น้ําลําคลองนะครับทำให้มีแหล่งน้ําต่างเนี่ยตื้นเขินซึ่งลําน้ําแม่คาวเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบปัญหาดังกล่าวนะครับดังนั้นการปลูกหญ้าแฝกนอกจากจะเป็นการป้องกันการชะล้างและการลดการพังทลายของหน้าดินแล้วนะครับยังก่อให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนล่มของประชาชนและส่วนราชการในการบํารุงดูแลรักษาแม่น้ํำคาวภายหลังจากมีการขุดลอกและส่งมอบพื้นที่นะฮะก็จะมีการบํารุงรักษาทางน้ํา อีกด้วยเช่นกันนะครับโดยที่บดีกรมเจ้าท่าพร้อมด้วยนายอำเภอพานก็ได้นําผู้นําชุมชนและพลังมวลชนจิตอาสาร่วมกันปลูกหญ้าแฝกจํานวน300ต้นและต้นกาสลองจํานวน30ต้นบริเวณโดยรอบแม่น้ําขาวเพื่อเป็นการอนุรักษ์ความชื้นในดินบริเวณตลิ่งแม่น้ําขาวในช่วงหน้าแล้งและสร้างความยั่งยืนทางการเกษตรต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับและมาต่อกันอีกหนึ่งจิตอาสานะฮะเป็นจิตอาสาที่บางเขนที่ในการลุยลอกคลองแก้ปัญหาขยะและรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศนะครับเมื่อวันที่ ยี่ 17, เช่นเดียวกันกับคุณผู้ฟังในธนสิทธิ์ เมฆพัน์เมืองผู้มีการเขตบางเขนร่วมกับโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจนะครับโดยมีเพศชกรหญิงนวพันธ์หัวใจมั่นนะครับและจิตอาสาในพื้นที่บางเขนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองลาดเพ้าหรือว่าคลองถนนเขตบางเขนนะครับเพื่อให้ลําคลองสาธารณะในพื้นที่บางเขนเนี่ยไม่มีปัญหาขยะหรือสิ่งกีดขวางทางน้ําไหลซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ลําคลองสาธนารณะนะครับเกิดความสะอาดและริมฝั่ง คลองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครนะครับด้านเพศจักรกรหญิงนวพันธ์กล่าวนะครับว่าขอเชิญชวนผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองสาธารณะนะครับรักษาความสะอาดและไม่ทิ้งขยะลงในลําคลองสาธารณะเพื่อความสะอาดและสุขอนามัยที่ดีของประชาชนที่อาศัยอยู่ในริมคลองของกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวของมวลชนอาสาทั้ง2เรื่องราวทั้งมวลชนอาสาที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายในการร่วมปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์หน้าดินและน้ําด้วย และอีกหนึ่งจิตอาสาที่เขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการลุยลอกคลองแก้ปัญหาขยะและรวมถึงการปรับ ปงภูงมิทัศน์รอบบริเวณคูคลองในกรุงเทพมหานครที่เขตบางเขน ด, ด้วยนะครับนี่คือ2กิจกรรมอาสาที่เหล่ามวลชนอาสาได้ร่วมกันจัดขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการทําประโยชน์เพื่อสาธารนณะทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากคุณฟังในวันนี้ในช่วงของคิดอาสานะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของคนอาสานะครับวันนี้คนอาสานําเรื่องราวของจิตอาสาไอเดียเก๋ที่ เทศบาลเมืองกาละสินกับการนำรัตตอรี่เก่าๆมาสร้างเป็นรายได้เพื่อผู้ยากไร้นะครับเป็นกิจกรรมยังไงติดตามได้ในช่วงหน้ากับคนอาสาครับศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีศูนย์รับผลิตยาสมุนไพรในรูปแบบแคปซูลชนิดผงพร้อมชงลูกประครบพิมเสน้ารวมถึงเครื่องสาอาง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 เว็ w w w f i s f r m u t t a c t h กลับมากับช่วงนี้ครับกับคนอาสานะครับกับเรื่องราวของรัตต์รี่นะครับที่ไม่ถูกรางวัลอย่าทิ้งนะครับส่งต่อรัตต์ลี่เก่าสร้างกุศลเพื่อผู้ยากไร้นะครับคุณผู้ฟังโดยจิตอาสาไอเดียเก๋เมืองน้ำดำนะครับที่เปลี่ยนรัตต์ลี่ที่ไม่ถูกรางวัลนะครับเป็นดอกไม้จันทร์พวงลีดนําไปช่วยเหลืองานศพผู้ยากไรนะครับด้วยคุณจุติสุขาวดีนะครับอาสาเมือง น้ำดำร่วมกับเทศบาลเมืองกาลสินนะครับรวมตัวเปลี่ยนรัตต์ลี่เก่าเป็นดอกไม้จันทพวงหลีดและห่อเหรียญปวยทานเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับหลังจากที่มีกระแสโซเชียลนะครับชวนร่วมบริจาครัตต์ลี่ที่ไม่ถูกรางวัลเพื่อนํามาทําเป็นดอกไม้จันทร์พวงหลีดเหรียญปวยทานในโครงการจุติสุขาวดีซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลืองานศพของผู้ยากไร้โดยไม่หวังผลกําไรนะครับพบว่ามีประชาชนส่งต่อรัตต์ลี่เข้ามาเป็นจํานวนมากโดยนางสาวทิตยาเหลือบจำรู จุนอาสาจิตอาสาเมืองน้ำดํากล่าวนะครับว่าโครงการจุติสุขาวดีเป็นการรวมตัวกันของจิตอาสาโดยจัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการช่วยเหลือศพยากไร้ให้ได้รับการชปรณ ก, กิจอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับโดยโดยเริ่มต้นจากการระดมทุนคนละเล็กละน้อยของสมาชิกในชมรมแล้วนําไปช่วยเหลือศพยากไร้ตั้งแต่เรื่องของลงศพ โรงเย็นดอกไม้ประดับเหรียญปวยทานการสวดพระอภิธรรมศพโดยจะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดให้1คืนซองปัจจัยรวมทั้งค่าสับปเปลอค่าเครื่องเสียงนะครับส่วนเรื่องที่นำลอตเตอรี่มาเปลี่ยนเป็นดอกไม้จันนั้นเพราะเมื่อก่อนตอนเองมองว่าลอตเตอรี่ถูกทิ้งจํานวนมากเห็นว่าสวยดีเลยนํามาทําเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์โดยเริ่มจากการทําเป็นดอกไม้จนันเหรียญปวยทานจนถึงพวงหลีดนะครับด้านนางสาวเพรย์เพริพรน การักนะครับจิตอาสาอีกหนึ่งคนกล่าวนะครับว่าโครงการ จุติสุขาวดีก็ได้ทํามา2ปีแล้วนะครับมีจิตอาสาทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพเป็นกลุ่มที่ทําเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆจึงอยากเชิญชวนทุกคนนำลอตเอรี่ที่ไม่ใช่แล้วมาร่วมบริจาคนะครับโดยสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเฟซบุ o กนะครับชื่อจุติสุขาวดีหรือรวบรวมส่งที่ไปรษณีย์นะครับที่เทศบาลเมืองกาลสิน์บริจาครอตเอรี่เลขที่70็ดทับยถนนถีธานนอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินรหัสไปรษณีย์ส6 0 0กนะครับ หรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์094ย์6 1614หหรือ065 639 4450้นยะครับโดยโครงการยังเปิดรับลอตเตอรี่ที่ลอตเตอรี่เก่าเนี่ยอยู่เรื่อยๆโดยไม่จำกัดจำนวนนะครับใครสนใจก็สามารถบริจาคไปตามที่ผมที่อยู่ที่ผมได้บอกไปนะครับที่โครงการจุติสุขาวดีนะครับที่อยู่ก็คือ เลขที่70ทับ21ถนนทีธานนอํเาเภอเมืองจังหวัดกาลสินรหัสไปรษณีย์46000นะครับคุณผู้ฟังมีเยอะหรือว่าไม่รู้จะบริจาคก็ลองโทรไปสอบถามก่อนนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์094556 1614นี่ะครับนี่คือเรื่องราวในช่วงของคนอาสาในวันนี้ครับคุณผู้ฟังกับเรื่องราวของรตเตอรี่เก่าที่ไม่ถูกก็สามารถส่งต่อไปสร้างประโยชน์สร้างกุศลเพื่อผู้ยกากไร้ได้นะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับช่วงของภารกิจจิตอาสานะครับวันนี้ภารกิจจิตอาส า, านําเรื่องราวของการบริจาคโลหิต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 กลับมากับช่วงนี้ครับกับภารกิจจิตอาสาครับอีกหนึ่งกิจกรรมครับคุณผู้ฟังที่ผมจะเชิญชวนนำมาฝากคุณผู้ฟังไปร่วมกันทำความดีในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมจากเดอะมอกรุปที่เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต6 7เล้านซีซีนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ67พรรษาพระบาทสมเด็จ พ, พระประเมนทรรามาธิ บ, บดีศีสินมหาวชิราลงกร พระวาชิระก้าเจ้าอยู่หัวนะครับโดยบริษัทเดอะมอกรุปจำกัดครับคุณผู้ฟังร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยเปิดโครงการเอ็ม l ฮลสายโลหิตสายใจร้อยรวมดวงใจถวายองค์ราชน6 7พัน 67, สา6 7ส0 0ล้าน4ีีนะครับโดยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต6 7ล้าน ซ, ซีในการเฉลิมพระเกียรติ67 พันศาพระบาทสมเด็จพระพระมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิาราลงกรพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวในวันอังคารที่2กรกฎาคม2562ที่ MCC Hall The More. บางกะปิชั้น4นะครับโดยนางสาวกฤษณาอัมพุทธรองประธานกรรมการบริษัทเดอมอกรุ๊ปจำกัดเปิดเผยนะครับว่า ตามที่บริษัทเดลโมกรุ๊ปจำกัดได้รับรองจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการแพทยไทยว่าเป็นหน่วยงานที่บริจาคโลหิตมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยโดยบริษัทเดลโมกรุ๊ปได้ดำเนินการบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ M Heart สายโลหิตสายใจร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาัดไทยตั้งแต่ปี2549นะครับโดยตลอดระยะเวลากว่า13ปีที่ได้ดําเนินโครงการมาสามารถนําส่งโลหิตสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้มากกว่า360ล้านซีซีทั้งจากการจัดกิจกรรมพิเศษและการบริการพิเศษทุกวันที่ห้องรับบริจาคโลหิต365วันที่เดลโมอบางกะปิเดลโมองามวงศ์วานเดลโมอบางแคและเดลโมจังหวัดคนครราชสีมานะครับเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระประมินทรร า, รามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมนะครับบริษัทดีมอกรุร๊ปจำกัดจึงได้จัดโครงการเอ็มฮาร์ดสายโลหิตสายใจร้อยรวมดวงใจถาวายองค์ราชาญหกพัน 67, สาหกสิบเล้านซีซีในการเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตให้ครบ67ล้านซีซีนะครับถาวายเป็นพระราช ก, กุศลแดบพระบราทสมเด็จพระประมินท ร, ร, รารามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิระ ก้าวเจ้าอยู่หัวรัชการที่10นะครับโดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่22กรกฎาคม2562เวลา11นาฬิกาที่ MCC Hall ชั้น4เดึมมอร์บางกะปิและสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาไปจนถึงเวลา18นาฬิกานะครับโดยประชาชนหรือผู้ที่มีจิตศรัทธาไม่สะดวกมาร่วมบริจาคในวันดังกล่าวได้ก็สามารถมาบริจาคได้ทุกวันตลอด365วันที่ห้องรับบริจาคโลหิต M Heart นะครับสายโลหิตสายใจห้างสรรพสินค้าเดึมมอร์งาม วงวานชั้น1นึ่งเดลโมบางแคชั้น M ล็อบบี้ชั้นห้าเดลโมบางกะปิชั้น 3A และเดลโมนคนรราชสีมาชั้น3นะครับโดยห้องดังกล่าวเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่12บสนาฬิกาถึง18บแนาฬิกานะครับขอบคุณกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยกับบริษัทเดมอมลโมกรุ๊ปจำกัดที่ได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาัดไทยในการร่วมรับบริจาคโลหิตนะครับคุณผู้ฟังครับและเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้เรา ครบทั้งสาช่วงรายการแล้วทั้งคิดอาสาคนอาสารวมถึงภารกิจจิตอาสาที่นำมา ดังกิจกรรมดีๆมาเชิญชวนคุณผู้ฟังไปร่วมของการบริจาคโลหิตนะครับและวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะครับกลับมาพบกับผมได้ใหม่ทุกวันศุกร์แบบนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 เมกะเฮินะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟั ง, าาฟงลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ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 ศูน9 1สองห9เก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสาดถึง